วันนี้จะเปิดโอกาสให้ถามตอบปัญหาได้ตั้งแต่ช่วงนี้ไปเลยเพราะว่าช่วงที่สองประมาณสามโมงสิบจะเป็นการถามตอบปัญหาภาคภาษาอังกฤษวันนี้มีคําถามเข้ามาประมาณสิบเก้าคำถามด้วยกันที่เป็นภาษาอังกฤษส่งมาทาง ทางอีเมลทางอินบ็อกซ์ดังนั้นถ้าใครอยากจะถามปัญหาก็ถามได้ในช่วงนี้เพราะช่วงที่สองจะไม่มีการถามตอบปัญหาเป็นภาษาไทยช่วงที่รอคำถามก็จะพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังไปพังๆก่อน ธรรมะที่จะให้วันนี้คืออุเบกขาอุเบกขาแปลว่าวางเฉยเข้าเกียร์ว่างรถเวลาเข้าเกียร์ว่างมันจะไม่วิ่งไปข้างหน้าจะไม่วิ่งไปข้างหลังมันวิ่งไม่ได้เพราะมันอยู่ในเกียร์ว่างใจของเราก็มีเกียรเกียรของพวกเราส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่ในเกียร์ว่าง ใจของพวกเราชอบเดินหน้าหรือถอยหลังเห็นอะไรชอบก็เดินหน้าเขา้าหาอยากได้เห็นอะไรไม่ชอบก็จะถอยหลังการเดินหน้าถอยหลังของใจนี้มันทำให้ใจไม่สงบไม่สบายถ้าต้องการความสบายต้องให้เข้าเกี่ยวว่าง ให้เฉยๆ เ, เห็นอะไรก็เฉยอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงเพราะเวลารักก็จะทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเวลาชังก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเวลากลัวก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเวลาหลงก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์นี้แหละที่ทําให้ใจเราสั่น ใจเราวุ่นวายถึงแม้จะเป็นอารมณ์ดีมันก็ทำให้ใจเราติดติดอารมณ์ดีแต่อารมณ์ดีมันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปพอมันหายใจเราก็ไม่สบายพอเราเสียดาย เรารักเราชอบอารมณ์ดีพออารมณ์ดีหมดไปก็ทำให้เราเสียใจทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราหงรธเกลียดลำคานใจถ้าไปเจออารมณ์ไม่ดีก็ไม่สบายใจขึ้นมาทันทีถ้าไปชังปับ๊บเนี่ก็ไปโกรธไปชังอะไรนะใจก็จะไม่สบายขึ้นมาทันทีถ้าไปรัก ก็จะอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปติดตามสิ่งที่รักต้องไปอยู่ใกล้กับสิ่งที่รักบุคคลที่รักถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ก็จะเสียใจไม่ว่าจะรักจะชังหรือกลัวหรือหลงเลยมันจะทำให้ใจไม่สบายถ้าอยากให้ใจสบาย อย่างตอนนี้เรานั่งเฉยๆกันตอนนี้เรามีอุเบกขาในระดับในระดับหนึ่งตอนนี้ไม่รักอะไรไม่ชังอะไรไม่หลงอะไรไม่กลัวอะไรก็เลยนั่งอยู่เฉยๆอยู่เป็นสุขอุเบกขาคือทำที่จะทำให้เราทำให้ใจของเราอยู่เป็นสุขไม่ต้องวุ่นวายใจไปกับเรื่องราวต่างๆ แต่ถ้าเราไม่อยู่ในอุเบกขาพอเกิดความรักขึ้นมาก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้นะพอรักอะไรชอบอะไรก็อยากจะไปหาสิ่งที่รักที่ชอบทันทีก็จะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าชังก็อยู่เฉยๆไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆคนที่เราไม่ชอบเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวก็ต้องขยับ นี้ไปคนนั่งข้างๆคุยกันหรือทำส่งเสียงดังรเราจะนั่งฟังเทศฟังธรรมฟังก็ไม่รู้เรื่องรอเราก็จะเกิดความชังกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็จะไม่อยากจะอยู่ใกล้อยากจะให้เขาไปหรือไม่เช่นนั้นก็อยากจะให้เราไป พอเกิดความอยากขึ้นมามันก็เลยทำให้ใจเราวุ่นความอยากนี้เป็นตัวที่มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจทำให้ใจอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ถ้าเรามีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ทำใจให้กลับเป็นอุเบกขาได้เราก็จะอยู่กับเหตุการณ์กับบุคคล ที่เราไม่ชอบได้เราจะอยู่เฉยๆได้เวลาเราเกิดความรักความชังความรักอยากได้อะไรเราก็หยุดความรักได้ด้วยการทําใจให้เป็นอุบเบกขาอุบเบกขานี่เป็นสภาพของสถานภาพของใจที่ดีที่สุดสําหรับใจ ดีกว่าไปรักดีกว่าไปเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังไปรักไปช่งไปกลัวไปหลงรถนี่จะสบายที่สุดก็อยู่ที่เกียร์ว่างเพรอยู่ที่เกียร์ว่างรถก็จอดอยู่เฉยๆถ้าเข้าเกียร์หน้าเดี๋ยวมันก็ต้องวิ่งไปข้างหน้าคนขับก็ต้องมาคอยคอยเฝ้าคอยดูทางคอยดูว่าจะไปวิ่งไปชนอะไรหรือเปล่า ถอยหลังก็เหมือนกันนอนไม่ได้ถ้ารถเข้าเกียร์อยู่คนขับต้องคอยดูรถแต่ถ้าอยากจะพักหลับนอนก็ต้องเข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์ว่างรถก็จะอยู่เฉยเฉยไม่ขยับไปข้างหน้าไม่ขยับไปข้างหลังนี่แหละคือสภาพที่ดีที่สุดของใจคือ ให้อยู่ในโอเบคาเพราะออเบคาจะทำให้ใจสงบจะทำให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่ไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่าและเป็นความสุขที่จะสามารถรักษาเก็บเอาไว้ได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกาย ทางตาหูจมูกเิ้นกายได้มาแล้วอยากจะเก็บให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยเื่อยเดี๋ยวมันก็หายไปไปดูหนังไปเที่ยวไปฟังเพลงเอเกิดความสุขจากการไปเที่ยวไปดูหนังไปฟังเพลงพอกลับมาบ้านาหายไปหมดแหละเลยต้องออกไปบ้านอยู่เรื่อยๆออกไปนอกบ้านอยู่เรื่อยๆอออกไปหา ความสุขจากการไปเที่ยวจากการไปดูหนังฟังเพลงจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นอะไรต่างๆนี่เป็นการหาความสุขที่ไม่มีวันจบหาได้เท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆแล้วพอหาไม่ได้ก็จะวุ่นวายใจสู้มาทําใจให้เป็นอุบเบกขาดีกว่า ทำใจให้อยู่เฉยๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงทำแล้วใจจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปดูไปฟังไม่ต้องไปกินไปดื่มไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นใจมีความสุขมีความอิ่มจากอุเบกขา จะทำให้ใจมีอุเบกขาได้ต้องหยุดความคิดนะหยุดความคิดเพราะความคิดเป็นผู้ทำให้เกิดความอยากความอยากเป็นผู้ทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจไม่เป็นอุเบกขาเลยต้องมาหยุดความคิดหยุดความอยากก่อนก่อนที่เราจะไปทำขั้นที่ถาวรได้เราต้องทำขั้นชั่วคราวก่อน เพราะันชั่วล่าวนี้มันง่ายมันไม่ยุ่งยากมันไม่ต้องใช้ความสามารถมากใช้แต่ความพยายามหยุดความคิดด้วยการบังคับให้ใจคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นให้คิดอยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้อยู่กับบทสวดมนต์ให้คิดอยู่กับบทสวดมนต์ สวดอิติปิสโสภะกวาอารหังสัมมาไปเพราะบทสวดมนต์เราไม่มีเราไม่เข้าใจความหมายมันไม่ทําให้เกิดอารมณ์มันไม่ทําให้เราไปเกิดความอยากพุโทโธก็ไม่ได้ทําให้เราเกิดความอยากแต่ถ้าเราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงคนนั้นคนนี้มันจะทําให้เกิดความอยากขึ้นมาเราจึงต้องระงรับความคิดต่างๆ เพราะทุกวันนี้เราคิดอยู่กับเรื่องราบยศสรรเสริญคิดอยู่กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าจะไปหาเงินที่ไหนดีไปหาอะไรกินดีไปหาอะไรดูดีต้องมีแต่เรื่องที่จะทำให้ใจเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องไปทาตามความโลภตามความอยากก็ต้องไปวุ่นวายกับการ ต่อสู้แข่งขันกันเพราะทุกคนต้องการสิ่งเดียวกันก็มักจะต้องไปแข่งขันกันไปแย่งกันแล้วถ้าไม่ระวังก็เดี๋ยวก็มีไปมีเรื่องมีราวกันได้นี่คือปัญหาถ้าเราไม่รู้จักควบคุมใจให้อยู่ในอุเบกขาใจมันจะวิ่งเหมือนรถ ที่เราจะต้องคอยเบรคมันอยู่เรื่อยๆต้องคอยเฝ้าเวลารถวิ่งนี่เราจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้นะเราต้องนั่งเฝ้าดูรถว่ามันจะไปทิศทางไหนมันไปถึงสี่แยกไฟแดงก็ต้องบังคับให้มันหยุดจใจก็จะต้องวุ่นวายไปกับการคอยประครับประคองใจเพื่อไม่ให้ไปมีเรื่องมีราวมีปัญหากับใคร ถ้ามีอยู่เบกขาแล้วมันไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปหาอะไรในโลกนี้อยู่คนเดียวอยู่บ้านอยู่ที่วัดก็มีความสุขมีหน้าที่เพียงแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปเท่านั้นเองหาข้าวกินไปวันๆนหนึ่งที่อยู่อาศัยก็อยู่แบบไหนก็ได้ขอให้มันหลบแดดหลบฝนได้ จนผู้ร้ายก็ไม่กลัวเพราะไม่มีสมบัติอะไรให้มันมาเอามีแค่เสื้อผ้าที่ใส่อยู่มันอยากจะได้ก็ให้มันเอาไปอยู่แบบนี้สบายกว่ามีอะไรเยอะแยะไปหมดมีแล้วก็ห่วงแล้วก็ห่วงบางคนก็กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปไปไหนไม่ได้คอยเฝ้าสมบัติ อยู่ต้องคอยเฝ้าสมบัติห่วงนั่นห่วงนี้ห่วงนั่นห่วง น, วง น, น, วงนี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็อยู่เป็นยามรอพอๆแทนที่จะเป็นคนที่เป็นคนใช้มันกับเป็นคนรับใช้ทรัพสมบัติคนตลาดเขาถึงต้องใช้สมบัติมีเท่าไหร่ใช้มันให้หมดใช้มันให้แหลกยิ่งใช้ยิ่งมัน แต่ใช้ไปในทางที่ทำให้ไม่เกิดโทษการใช้สมบัติใช้เงินทองมันมีสองแบบใช้แบบซื้อยาเสพติดใช้แบบซื้ออาหารให้กับใจการใช้เงินนี้ส่วนใหญ่เรามักจะใช้แบบซื้อยาเสพติดให้กับใจเพราะว่าซื้อแล้วมันติดมันอยากได้อยู่เรื่อย แล้วพอไม่ได้มันก็จะทุกข์เหมือนคนติดยาเสพติดต้องใช้แบบซื้ออาหารให้กับใจวิธีใช้เงินทองแบบซื้ออาหารก็คือให้เอาไปทําบุญทําทานเวลาเอาทําบุญทําทานช่วยเหลือคนนั่นช่วยเหลือคนนี้มันทําให้เราเกิดความอิ่มใจขึ้นมาสุขใจขึ้นมาแล้วไม่ติดนเวลาไม่มีเงินที่จะใช้ ไปกับการทำบุญทำทานก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่เหมือนกับการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆ ท, ทางตาหูจมูกลิ้นกายซื้อแล้วจะติดซื้อแล้วอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อกระเป๋าใบแรกแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ใบที่สองเดี๋ยวก็อยากได้ใบที่สามรองเท้าคู่แรกแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้คู่ที่สองคู่ที่สาม เสื้อผ้าชุดแรกแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ชุดที่สองชุดที่สามชุดที่ร้อยชุดที่พันเลยมันจะซื้อไปเรื่อยเรือเห็นแล้วชอบก็อยากได้มีเงินก็ซื้อทันทีใช้แบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ยิ่งใช้ยิ่งหิวยิ่งใช้ยิ่งอยากไม่ใช้ใช้เราจะทำให้ใจอิ่มมันเป็นเหมือนอยาเสพติดเสพเท่าไหร่ยิ่งอยากจะเสพมากขึ้นไปเรื่อยเรืไม่เหมือนกับอาหาร ถ้ากินอาหารไปพอมันอิ่มแล้วมันก็ไม่อยากจะกินแล้วพออิ่มท้องกินไม่ลงแล้วไม่เอาละการาใช้เงินเพื่อการทำบุญทำทานจะทำให้ใจอิ่มจะทำให้ใจเป็นอุบเบกขาได้ในระดับหนึ่งถ้าไม่ใช้เงินหวงสมบัติถ้ามันหวงแล้วมันก็จะโลภด้วย ของสมบัติแล้วมันก็อยากจะได้สมบัติเพิ่มด้วยมันก็จะต้องไปดินนอนหาสมบัติมาเพิ่มพอมาเพิ่มแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษามันห่วงมันเป็นห่วงมันแล้วถ้าเกิดมันสูญหายไปก็เกิดความเสียอกเสียใจนี่คือสภาพของใจที่ถูกความโลภความอยากดึงไปถ้าเราทําใจให้ เปนุเบขาได้มันจะไม่มีความโลภความอยากได้อะไรในโลกนี้อยู่เฉยๆได้แล้วพอตายไปก็จะกลับจะไม่กลับมาเกิดใหม่เพราะไม่มีความปรารถนาที่อยากจะได้อะไรจากในโลกนี้ถ้ายังมีความปรารถนาอยากได้ลาบยศสลาเสิญอยากได้รูปเสียงกล็ดนกโผฏภะอยู่ เวลาตายไปก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะความอยากมันจะทำให้ใจต้องมาหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่ไปหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่หาไปจนวันตายพอตายก็กลับมาหาใหม่แลาช่วงระหว่างที่รอเวลามาเกิด เวลาตายไปแล้วยังไม่เกิดทันทีก็ต้องไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเปรตเป็นอะไรก่อนเพราะช่วงนั้นยังไม่ได้ร่างกายอันใหม่ยังมีบุญมีบาปที่ต้องไปรับผลก่อนถ้าได้ทำบุญก็จะได้ไปเป็นเทวดาเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขถ้าได้ท่านทำบาป ก็จะไปได้ดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความเครียดแค้นาคาดพยาบาทเพราะนี่คือเหตุของการทำบาปทำด้วยความโลภทำด้วยความกลัวทำด้วยความชังนี่คือเรื่องของจิตใจ ของพวกเราทุกคนมันไม่มีวันตายแต่มันจะอยู่แบบไหน น, นั่นเองส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบุ่นวาใจไปกับความรักความชางังความกลัวความหลงไม่เคยรู้จักเข้าเกียรว่างต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกว่าเกียรของใจเราที่ดีที่สุดก็คือเกียวว่างให้เข้าอุเบกขาไปให้สักแต่ว่ารู้ไป เห็นอะไรก็ส uh> uh ักแต่ว่ารู้อย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวไปหลงแล้วใจจะมีความสุขสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่ขึ้นไม่ลงถ้ารักพอได้อะไรที่รักมาก็ดีใจขึ้นสูงปื้ดเลยแลพอเสียสิ่งที่รักไปก็ตกลองหวบลงไปกระแทกกับพื้นแต่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วจะไม่มีปัญหาอะไร ปลอดภัยที่สุดอันนี้คือเรื่องของใจเรื่องของสิ่งที่เราไม่มีกันคืออุเบกขาเราต้องมาฝึกสร้างอุเบกขากันโดยการสร้างสติโดยการใช้ความคิดให้คิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวคิดอยู่กับพุทธโธหรือคิดอยู่กับบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้หยุดความคิด ถึงราบยศสารเสริญความคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้พอไม่คิดความอยากในราบยศสารเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็มันก็จะสงบตัวลงไปใจก็จะเย็นจะสบาย น, นี่ขั้นแรกให้หยุดความคิดก่อนพอเราหยุดความคิดได้แล้วขั้นที่สองก็มาเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนความคิดจากคิดที่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ไปคิดว่าไม่อยากได้อะไรคิดคิดยังไงถึงจะทำให้เราไม่อยากได้ก็ต้องมองเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์เนยมันเป็นเหมือนลูกระเบิดถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันจะเป็นลูกระเบิดเราจะเอาไหมถ้าเห็นว่าแฟนเรานี่ต่อไปจะเป็นลูกระเบิดเป็นลูกระเบิดเพียงแต่ห่อด้วย กระดาษสวยๆไว้ในปากในอหุ้มห่อมันไว้หุ้มห่อกล่องที่ใส่ลูกระเบิดไว้สิ่งต่างๆนี้เป็นเหมือนลูกระเบิดเพราะไม่ช้าก็เร็วมันจะระเบิดมันระเบิดยังไงมันระเบิดเพราะมันเปลี่ยนไปมันเคยดีมันก็กลายเป็นไม่ดีได้เคยรักเราก็กลับมาเกลียดเราก็ได้ พอเคยรักแล้วมาเกลียดเราแล้วมันทำให้เรารู้สึกยังไงดีใจหรือเสียใจ เ, เวลาเขาเปลี่ยนไปเคยรักกันแล้วอยู่ดีๆก็มาเกลียดกันมันก็จะทำให้เราเสียใจหรืออยู่ดีๆเขาก็ทิ้งเราไปหายไป ไ, าไปไม่กลับมาไปไม่กลับอาจจะตายไปอาจจะไปมีแฟนใหม่เร า, าไม่เห็นลูกระเบิดกัน เรากลับไปเห็นหอ่อกล่องที่ห่อด้วยกระดาษสวยๆ ว, ว่าโอ้ยมันเห็นน่าน่ารักน่าอยากได้เนี่ยเพราะเราไม่มีความรู้ความฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าเอพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทุกอย่างในเรื่องนี้เป็นเหมือนลูกระเบิดที่เขาใส่ไว้ในกล่องแล้วก็เอากระดาษสวยๆมาหอ่หอหลอกเราว่าเป็นของขวัญของดีพอเราเห็นของขวัญ กองกระดาษที่มีกระดาษสวยๆมีโบติดไว้เห็นแล้วก็อยากได้แต่พอเปิดมาขึ้นมาถึงจะตกใจโหเป็นลูกระเบิดเนีตอนนั้นก็สายไปแล้วมันระเบิดขึ้นมาทันทีเวลาที่เขาจากเราไปเวลาที่เขาเปลี่ยนไปมันก็เลยทําให้เราต้องเสียใจร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจนี่คือวิธีคิด ที่จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรให้เราคิดว่าราบยศสรรเสรญความสุขทางตาหูจมูกนิ่นกายนี้มันเป็นเหมือนลูกระเบิดที่ห่อด้วยกระดาษสวยๆมีโบสวยๆติดอยู่อพอแกะมันออกมาดูถึงจะรู้ว่าเป็นลูกระเบิดพอแกะมาปบมันก็ระเบิดพอดีอนี่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ มันจะต้องทำให้เราทุกข์จะต้องทำให้เราเศร้าโศกเสียใจแต่เราโง่เองเราไม่ฉลาดเองเราไปหลงดูกระดาษที่หอ่อลูกระเบิดเราไปหลงดูความสุขที่หุ้มหอ่อความทุกข์แต่งงานแล้วจะมีความสุขไม่เคยคิดว่าแต่งแล้วจะทุกข์กันมีอะไรแล้วจะคิดว่ามีความสุขไม่เคยคิดว่าจะทุกข์กัน มีลูกก็คิดว่ามีแล้วจะมีความสุขเห็นคนอื่นเ็ามีลูกน่ารักเห็นแล้วก็อยากได้แต่ไม่เห็นตอนที่ลูกเขาเจ็บตอนที่ลูกเขาตายไปคนที่เป็นพ่อแม่นี่จะเศร้าโศกเสียใจขนาดไหนมองไม่เห็นคิดไม่เป็นนี่คือวิธีคิดที่จะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้ เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมีมาแล้วก็มีไปมีขึ้นแล้วก็มีลงมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายถ้าเราไม่อยากจะไปเจอกับสภาพที่ไม่ดีก็อย่าไปมีมันอยู่คนเดียวอยู่กับอุเบกขาดีที่สุดเนี่ยนี่คือ ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้ใจเราก็จะนิ่งจะสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาแล้วเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้มันก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราก็อย่าไปพึ่งมันอย่าไปอาศัยมันอย่าไปใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราไม่ต้องพา ร่างกายนี้ไปเที่ยวไม่ต้องให้ร่างกายพาเราไปดูหนังฟังเพลงอยู่บ้านอยู่วัดไม่ต้องไปไหนอยู่กับอุเบกขาแล้วสบายกว่าอยู่กับการไม่มีความอยากแล้วสบายกว่าแล้วเวลาร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนมันจะแก่มันจะเดินเหินไม่ไหวก็ไม่เดือดร้อนมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนมันจะตายก็ไม่เดือดร้อนอนี่คือ เรื่องของวิธีรักษาใจให้เป็นอุเบกขาขั้นตอนต้องใช้สติหยุดความคิดก่อนหยุดความคิดเพื่อให้เห็นว่าเวลาจิตเป็นอุเบกขานี่มันดีอย่างไรพอรู้แล้วว่าบุเบกขานี่ให้ความสุขกับเราที่ดีกว่าเวลาที่มันไปอยากได้อะไรก็สอนมันไปคิดให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันไม่ดีมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่เป็นของเรา ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปเรียกว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาด้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาใจก็เลิกอยากไม่อยากได้อะไรเพราะเหมือนเหมือนอยากได้ลูกระเบิดดีๆนี่ เ, เพียงแต่มองไม่เห็นว่าเป็นลูกระเบิดเห็นว่าเป็นกระดาษห่อข อ, ของขวัญสวยๆก็เลยคิดว่าเป็นของดีคิดว่าเป็นน้าหอมชาแนล คิดว่าเป็นแหวนเพชรคิดว่าเป็นสร้อยเพชรที่ไหนได้เปิดห่อมาดูว่าเป็นลูกระเบิดนี่แหละคือสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นเหมือนลูกระเบิดไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องระเบิดใส่ใจเราให้ใจของเราต้องเศร้าโศกเสียใจกันไม่มีใครไม่ร้องห่มร้องไห้กันที่ร้องห่มร้องไห้เขาพบเจอลูกระเบิดนั่นเอง ดังนั้นพยายามสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่กับอุเบกขาดีกว่าทําใจให้ไม่อยากดีกว่ามีคำถามเข้ามาบ้างไหมมีก็ถามได้เลยว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงหลังจะไม่ได้ถามอย่าถามเป็นภาษาอังกฤษ คำถามจากทางบ้านนะครับจากคุณไพบูลเรียนพระอาจารย์ผมสังเกตตัวเองมาหลายครั้งแล้วถ้าวันไหนไม่ได้ดั่งสมาธิเวลาขับรถมักจะง่วงนอนตลอดถ้าได้เจริญสมาธิจะไม่ง่วงขับรถจะมีสมาธิอย่างนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นใช่ไหมครับจิตตื่นไงจิตมีสติถ้ามีสติมันจะไม่ง่วง ถ้าไม่มีสตินี่มันจะง่วงแต่ความง่วงไม่ได้เกิดจากการมีสติแล้วไม่มีสติอย่างเดียวกินอาหารมากมันก็ง่วงได้อดหลับครับอดหลับอดนอนมามากก็ง่วงได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การมีสมาธิอย่างเดียวแต่การมีสติก็มีส่วนถ้ามีสตินี้จิตจะตื่นจะไม่ง่วงจะไม่หลับง่าย ถ้าไม่มีสตินี้มันจะง่วงจะหลับง่ายบางทีเราง่วงบางทีนั่งเราง่วงถ้าอยากจะให้หายง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมเดินจงกรมไปให้มีสติอยู่กับการเดินไปเดี๋ยวก็หายง่วงได้เอ้วันนี้เครื่องบินมุนทํำเลยแถวนี้วะบินไปบินมาอยู่งนะั้นเดี๋ยวเราให้มันเงียบก่อนดีกว่า ข้อที่สองหมดแล้วแหละคำถามต่อไปจากคุณวัชวันหนึ่งผมขับรถขณะหนึ่งมองรถสีแดงที่วิ่งอยู่แล้วใจกำลังวิจาร์สีของรถคันนั้นแต่ผมกลับสะดุ้งขึ้นมาร้องไห้แล้วบอกกับตัวเองว่ารถคันนี้มันสวยของมันอยู่แล้วที่มันไม่สวยเพราะใจที่มันอคติ ผมหยุดร้องไห้ไม่ได้ต้องจอดรถข้างทางสักพักจึงหยุดหลังจากนั้นผมมองโลกสวยงามหลังจากนั้นผมกลับมาเหมือนเดิมสภาวะแบบนี้คืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันล่ะมันก็คือคุณเป็นคนเจอมาถามเราได้เลยก็รู้ว่ามันเป็นอ น, นิจจังก็แล้วกันมันเกิดแล้วมันก็ดับไปถ้ามันดีก็ก็ดีไปถา้าไม่ดีก็ว่าไม่ดีไป ก็เท่านั้นดีก็ดับไม่ดีก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปไม่ควรที่จะไปอยู่ในอดีตควรจะกลับมาที่ปัจจุบันคำถามต่อไปจากคุณสุธีมีคนบอกว่าในพระไตรปิฎกมีแต่งใหม่ไม่ใช่ของเดิมจริงไหมครับก็ต้องฟังหูไหว้หูคนมันร้อยแปดพันประการคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่ง ว่าไปอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งว่าไปอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้จริงต้องไปถามคนที่เขารู้จริงคะคนที่เขาสังคยานาพระไตรปิฎกคนที่เขามีความเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกโดยตรงจะดีกว่าถ้าจะมารอฟังคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพูดไปตามคาล่ำลือมันก็เดี๋ยวก็กลายเป็นความจริงไปได้เรื่องไม่จริงก็กลายเป็นความจริงไปได้ อาศัยว่ามีคนพูดมากๆบ่อยๆเข้าเรื่องไม่จริงก็เลยกลายเป็นเรื่องจริงได้ mm hmm. เห็นพระพุทธเจ้าบอกว่า mm hmm. ต้องฟังหูไหว้ายหูอย่าไปเชื่ออย่าไปปฏิเสธ mm hmm. ต้องไปค้นคว้าดูความจริงอ mm hmm. ถามหลายๆแหล่งดูสอบถามจากหลายแหล่งที่เขาเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกดู mm hmm. เราจะได้คําตอบที่แน่นอนกว่าคําถามต่อไปจากข้างบนนี้นะครับ ตอนนี้ยึดติดกับอดีตค่ะทั้งเรื่องราวที่มีความสุขและความทุกข์ความสัมพันธ์ในอดีตความรู้สึกผิดต่างๆทำอย่างไรให้หลุดจากการคิดการยึดติดเรื่องในอดีตพวกนี้ค่ะพราเราไม่มีสติควบคุมความคิดปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เราต้องใช้สติหยุดมันดึงจิตให้กลับมาอยู่ในปัจจุบัน ให้มันบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลามันจะคิดไปถึงอดีตก็ใช้สติดึงกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธถ้าอยู่กับพุทโธไปสักพักเดี๋ยวมันก็หยุดคิดถึงอดีตได้ถ้าไม่ชอบพุทโธก็ใช้คำบริกรรมอย่างอื่นหรือใช้บทสวดมนต์ก็ได้สวดอิติปิโสไปก็ได้สวดพุทธังสารนังกระชามิไปก็ได้ให้มีอะไรมาทดแทนความคิด ที่จะคิดถึงเรื่องในอดีตนะให้มันดึงมันกลับมาให้มันอยู่ในปัจจุบันพอมันหยุดคิดเราก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันเราก็สามารถหยุดคำบริกรรมหยุดคำสวนได้คำถามต่อไปจากคุณสับปรสีโยมไปเป็นจิตอาสาอยู่ช่วยวัดทำงานทุกอย่างที่มีงานให้ทำแต่โยมไม่ได้ถือศีลแปด อยากทราบว่าโยมต้องถือศีลแปดไหมเจ้าคะและถ้าไม่ถือจะผิดไหม อ, อ๋อไม่ผิดหรอกถือศีลห้าก็พอถ้าไปช่วยงานคนที่ถือศีลแปด น, นี่เขาเหมาะกับคนที่ต้องการไปปฏิบัติธรรมไปฝึกจิตไปภาวนาไปนั่งสมาธิถึงจะต้องถือศีลแปดเพราะศีลห้าจะไม่สามารถ สนับสนุนกำลังไม่พอที่จะช่วยให้คนนั่งสมาธิได้อย่างมีสิทธิประสิทธิภาพถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้ได้ผลนี้จำเป็นจะต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยีิบเจ็ดแต่ถ้าไปเป็นจิตอาสาไปช่วยทำงานนี้ถือศีลห้าก็พอคำถามต่อไปจากคุณธีระชาติ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับความสุขจากความสงบเป็นความสุขที่สูงสุดที่มนุษย์จะเข้าถึงแล้วใช่ไหมครับและความสุขจากลาบยศสรรเสริญกับความสงบมีอะไรขั้นอยู่ตรงกลางไหมครับไม่มีหรอกก็มีความสุขสองรูปแบบความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี่เราเรียกว่าความสุขทางโลก โลกก็คือต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงดังนั้นเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดความสุขนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาส่วนความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่อยู่ในใจที่ไม่มีวันจากใจไป ถ้ารู้จักสร้างรู้จักรักษาแล้วจะอยู่คู่กับใจเป็นตลอดเช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกท่านมีความสุขแบบนี้ท่านมีความสุขที่เกิดจากความสงบคําถามต่อไปจากคุณปนัดดาฟังธรรมก่อนนอนวันใดวันหนึ่งถ้าไม่ได้ฟังรู้สึกแปลกๆเจ้าคะ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่า ฟังทำเป็นยานอนหลับไงเป็นธรรมโอสถ์ถ้าเวลาไม่ได้ฟังแล้วเหมือนกับไม่ได้กินยานอนหลับคือเราทําอะไรบางทีมันก็ติดเป็นนิสัยพอติดแล้วเวลาไม่ได้ทํามันจะรู้สึกแปลกๆไม่ว่าจะทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีก็ตามพอมันเคยทําแล้วมันพอไม่ได้ทํามันจะรู้สึกขาดอะไรไป คำถามต่อไปจากคุณวิขอเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะโยมได้นำดอกไม้ทูบเทียนแพรไปเป็นสิทธิ์ของคารวะท่านหนึ่งเพื่อจะเรียนวิชาลวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าแต่โยมก็เสียเงินในการเรียนเจ้าคะ่ะโยมจะออกจากการเป็นสิทธิ์โยมต้องทําอย่างไรดีอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราออกจากการเป็นสิทธิ์คารวะท่านนั้นเฉยๆได้ไหมเจ้าคะ เพราะท่านไม่ได้เปิดการเรียนการสอนแล้วก็ได้ถ้าเราไม่ไปหาท่านเราก็ถือว่าเราไม่ได้ไปถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วถ้าไม่มีสัญญากับการล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเวลาจะเลิกเป็นสิทธิ์เป็นครูกันต้องไปแจ้งให้ทราบถ้าไม่มีสัญญาบอกกล่าวก็ไม่จําเป็นจะต้องไปบอกกล่าวกันถ้ามีสัญญาบอกกล่าวก็ต้องไปบอกกล่าวถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ถือว่าหมดอ หมดพันธะกรณีไปคำถามต่อไปจากคุณวิไลพันธ์กราเพรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่พระสุปฏิปันโนละสังขารแล้วบางองค์ท่านก็เผาบางองค์ท่านก็เก็บศรีระไว้อยากถามว่าต่างกันอย่างไรเจ้าคะไม่ต่างกันต่างกันที่ลูกศิษย์คนที่เขาเก็บกับเผานั่นเอง บางคนเขายังคิดว่าร่างกายของท่านถ้ายังไม่เผาก็ยังเหมือนกับว่าท่านยังอยู่ใกล้เขาอยู่เขาก็กเขา拉เขาเคารพท่านอยากจะเห็นร่างกายของท่านถึงแม้จะเป็นนอนอยู่ในโรงเขาก็ยังมีความสุขก็เขาก็ไม่เผากันแต่าสาหรับคนที่เขาเห็นว่าเก็บไว้ก็เกะกะเปล่เปล่ า, า, า, าลุกลุงลงังเปลาเปลเอาไปเผาสีจัดการให้มันเรียบร้อยไป ก็ทําตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้เผาไม่ให้เก็บเอาไว้ให้เก็บเราเลิกไว้สัเกเจ็ดวันก็พอใครอยากจะมาดูร่างกายของครูบาอาจารย์ครั้งสุดท้ายก็มาดูได้ในช่วงที่เขาตั้งศพให้มาดูมาคัดแล้วพอครบเจ็ดวันเขาก็จัดการเผาไปแล้วก็เก็บอัฐิไว้แทน คำถามต่อไปจากคุณเชรินทิปกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิไปสักพักรู้สึกถึงอาการตัวชาเย็นวูบวาบทั้งแผ่นหลังค่ะตั้งอยู่สักพักหนึ่งอาการแบบนี้คืออะไรเจ้าคะมันไม่มีชื่อหรอกมันก็อาการทำไมไม่ถามมันหรอเวลามันเกิดขึ้นมาว่าอาการนี้เป็นอย่างไรชื่ออะไรไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ว่ามันชื่ออะไรเป็นอย่างไรแล้ว รู้ตัวมันก็พอรู้ว่าเป็นอย่างนี้รู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับไปอย่าไปสนใจอย่าไปยึดอย่าไปติดแล้วก็ไม่ใช่เป็นอาการที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิเป็นของแถมเหมือนไปซื้อของที่ร้านแล้วเขาแถมปฏิทินช่วงปีใหม่มีแถมปฏิทินแต่เราไม่ได้ไปซื้อปฏิทินเราไม่ได้ไปเอาปฏิทินเราไปซื้อของที่ร้าน อันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเราต้องการความสงบเราต้องการอุเบกข า, าต้องการให้ใจนิ่งเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงส่วนถ้ามีอาการอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นก็อย่าไปสนใจนั่งต่อไปอย่าหยุดนั่งภาวนาต่อไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปอย่านั่งเฉยเฉยโดยไม่ได้มีสติคุ้มครองใจ ความันจะไม่ได้อุเบกขาแล้วมันอาจจะได้อาการแปลกๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วถ้าไปเจออาการที่ไม่น่าดูน่าชมก็อาจจะไม่กล้านั่งต่อไปก็ได้คำถามต่อไปจากคุณลลิดากราบถามพระอาจารย์ยานกับฌานมีผลต่อการหลุดพ้นอย่างไรคะคําว่าฌานแปลว่าความสงบสมาธินี่เรียกว่าฌานะ ฌานความสงบก็มีหลายระดับแบ่งเป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่อันนี้คือความสงบที่มากน้อยต่างกันฌานหนึ่งก็สงบน้อยกว่าฌานสองฌานสองก็สงบน้อยกว่าฌานสามมีไปถึงฌานแปดฌานเก้านุ่นนี่คือความสงบมีส่วนในการที่จะกำจัดกิเลสเพราะเป็นการหยุดกิเลสด้วยฌานด้วยสมาธิ ส่วนยานนี้เป็นความรู้คือปัญญาความรู้ที่จะมายุดฆค่ากิเลสให้ตายชานนี้เพียงแต่กดกิเลสไว้แต่ยานนี้เป็นความรู้ที่จะมากำจัดกิเลสยานก็คือเห็นไตรลักษณ์นี่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆพอถ้าเกิดความอยากขึ้นมาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เห็นว่าเป็นตายลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่อยากได้ขึ้นมาพอไม่เกิดความอยากขึ้นมาความทุกข์ก็ไม่เกิดใจก็กลับเข้าสู่เบขาเข้าสู่ความสงบคําถามต่อไปจากคุณกระมนวันน้อมกราบพระอาจารย์อยากทราบว่าคําว่ากรรมเกิดจากการกระทําในชาติที่แล้วอันนี้เป็นความจริงประการใดเจ้าคะ เป็นเรื่องอดีตชาติที่เราเคยกระทําหรือคะก็เราไม่รู้ความจริงของเราเนี่ยมันก็เลยทําให้เรางงความจริงก็คือเราทํากรรมตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่เราก็ทํากรรมคิดนูน่นคิดนี่ก็เป็นมโนกรรมพูดก็เป็นวาต ว, าวาจีกรรมเคลื่อนไหวทางร่างกายก็เรียกว่ากายกรรม แล้บางทีกรรมเหล่านี้ก็มีเป็นกรรมดีกรรมไม่ดีถ้าทำให้คนอื่นมีความสุขก็เป็นกรรมดีเรียกว่าบุญถ้าทำให้คนอื่นเขาทุกข์เขาเดือดร้อนเสียหายก็เรียกว่าบาปเราทําแล้วมันก็สะสมมีผลสะสมในใจผลที่จะส่งให้จิตใจเราสุขหรือทุกข์มากขึ้นทำให้จิตใจเราเป็นอะไรต่างๆอพอร่างกายของเราตายไป ใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็ไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทําไว้โดยเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทพดวงวิญญาณที่มีความทุกข์เราก็เรียกว่าเปรตเรียกว่าสุลกกายเรียกว่านรกเนี่ยแล้วพอเราใช้กรรมใช้บุญหมดแล้วเราก็กลับมาเกิดได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้ว ผลของกรรมที่เราทำไว้มันก็กลับมาเชื่อมต่อกับร่างกายอันใหม่ถ้าเราทำบุญมาเราก็จะเกิดดีถ้าเร า, เาทำบาปมาเราจะเกิดไม่ดีคนที่ลงมาจากสวรรค์จะเป็นคนมีบุญวาสนาบารามีอยู่อยู่ดีกินดีร่ำรวยรูปล่างเใว้งามสดใสเบิกบานผ่องใส คนที่มาจากข้างล่างมาจากกบายก็จะมาไม่อาภัพวาสนามายากจนม า, อ, าอยู่แบบอดอยากขาดแคนอยู่แบบพิกลพิการอาการไม่ครบสามสิบสองรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของคนที่มาเกิดไม่เหมือนกัน เพราะว่าบุญก็เคยในในชาติก่อนเหมือนกับชาตินี้ทําบุญทําบาปชาตินี้เราทําบุญทําบาปกันอยู่เรื่อยๆชาติก่อนก็ทําบุญทําบาปกันอยู่เรื่อยๆแล้วพอเราตายไปบุญกับบาปมันก็จะพาให้เราไปรับผลบุญผลบาปถ้าบาปมีมากกว่า บ, บุญเราก็ไปทางอบายถ้าบุญมีมากกว่า บ, บาปก็เราก็ไปทางสวรรค์แล้วพอบุญกับบาปเท่ากันเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้ามาจากสวรรค์เราก็จะมาดีมาแบบมีมีวาสนาบารมีถ้ามาจากอบายก็จะมาแบบคนที่ถูกปล่อยออกจากคุกตารางไม่เหมือนกันคนที่กลับมาจากการไปท่องเที่ยวนี่ยังมีเงินมีทองมีฐานะอยู่คนที่ออกมาจากคุกนี่จะไม่มีฐานะไม่มีเงินมีทองคำถามต่อไปจากคุณวันธนา เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสขึ้นไปที่เขาชีโอนรู้สึกมีความสุขสงบเย็นแต่พอกลับมาถึงกรุงเทพก็มาเจอกับสภาพรถติดคนเยอะวุ่นวายทำให้เกิดความเบื่อนายอยากกลับไปที่สงบอีกอย่างนี้เป็นภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาหรือเปล่าคะถ้าเรามีความปรารถนากับสิ่งที่มีประโยชน์กับใจเราไม่เรียกว่าเป็นตันหา เรียกว่าเป็นธรรมะเป็นมรรคเป็นยาความสงบนี้เป็นเหมือนยารักษาใจให้ใจเรามีความสุขแต่ถ้าเราไปอยากกับสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์เรียกว่าเป็นตัณหาสิ่งที่เราทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากในลาบยศสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเวลาได้มาใหม่ๆมันก็สุข แล้วเดี๋ยวพอมันไม่เที่ยงมันก็กลายเป็นความทุกข์มาขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามะตัณหาแต่ความอยากอยู่กับความสงบนี้เป็นความสุขไม่มีโทษไม่มีทุกข์ตามมาเราเลยไม่เรียกว่าเป็นตัณหาเรียกว่าเป็นมรรคเรียกว่าเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ คำถามต่อไปจากคุณอากาศโอโซนกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าผมขอเงินแม่ไปทำบุญทอดกรถินผมกับแม่จะได้บุญทั้งคู่ไหมครับอยู่ขึ้นอยู่ว่าเป็นเงินของใครถ้าเป็นเงินของแม่ก็แม่ได้บุญเราถึงแม้จะขอแม่มันก็ไม่ใช่เป็นเงินของเราเราไม่ได้บุญนอกจากว่าแม่เขาให้เงินเราเป็นค่าขนมค่าใช้ จ่ายประจำเดือนแล้วเราเอาเงินที่แม่ให้เราเป็นค่าใช้ใจ่ายประจำเดือนไปทําบุญอย่างเี้เราถึงจะได้บุญเพราะเงินนั้นเป็นของเราแล้วแต่ถ้าเราไปขอเงินของคนนั้นคนนี้มาแล้วเอาไปทําบุญเราไม่ได้บุญจะ <Eliot> เราไปแจกซองกรถินเนี่ยเอาเงินคนอื่นไปถอดกรถินเนี่ยเราไม่ได้บาศบาศเดียวบุญเราไม่ได้เลยเพราะเราไม่ฟักกระเป๋าไม่แต่บาศเดียวเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราฟักกระเป๋าของเราเอง บุญคือการเสียสละข้าวของเงินทองของเราถึงจะเรียกว่าเป็นบุญถ้าอาข้าวของเงินทองของคนอื่นไปทําไม่ได้บุญนะคาถามต่อไปจากคุณส ม, มน์คนที่ตายจากอุบัติเหตุเป็นเพราะกรรมเก่าใช่ไหมเจ้าคะมันมีหลายสาเหตุอุบัติเหตุนี้ก็ไปไปอยู่ในรถมันก็คว่าได้ถ้าไม่ไปนั่งรถมันก็ไม่คว่ํำ การตายด้วยอุบัติเหตุนี่มันอาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้อาจจะเป็นกรรมใหม่ก็ได้กรรมใหม่ก็คือไปนั่งรถเนี่ยไปนั่งรถที่มันจะคว่ามันก็คว่ำนี่มันไม่ได้อยู่ที่กรรมเก่าเพียงแย่กรรมเก่าอยู่ที่ตรงที่พาให้เรามาเกิดเนีกรรมเก่าพาให้เรามาเกิดแล้วก็พาให้เรามาตายถ้าเราตัดกรรมเก่าตัดกรรมที่พาให้เรามาเกิดได้เราก็จะไม่ต้องเจอความตาย คามที่พายเรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากนี่เองอยากหาอยากได้ลาบยศจะรเสริญอยากจะได้รูปเสียงกลิ่นลน้นมันก็เลยพาให้เรามาเกิดพอมาเกิดเราก็จะมาตายด้วยวิธีต่างๆกันบางทีก็ตายด้วยวิบากกรรมก็มีบางทีก็ตายด้วย อ, อุบัติเหตุอันนี้เป็นเหตุสุดวิสัยมันก็ตายได้เหมือนกันเดินไปในสวนลูก โดนต้นโดนลูกมะพร้าวหล่นทับหัวตายก็ได้แล้วเดินไปเจองูงูกัดตายก็ได้งานตายมันตายได้หลายวิธีไม่ใช่หมายความว่าจะจะต้องเป็นเรื่องของวิบากกรรมเก่าอย่างเดียวถ้าวิบากก็คือเราอาจจะเคยข้า้งูมาก่อนงงูตัวนี้พรเพราะเรามาเกิดเราก็เลยไปถูกงูกัดตายอันนี้เรียกว่าเป็นวิบากได้แต่บางทีมันเป็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องสดวิสัย ก็ตายได้เหมือนกันแต่เหตุที่พากรรมที่พา้เรามาตายกันก็คือก็คือตัณหาความอยากอยากที่จะหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดกันถ้าเราหยุดกรรมตัวนี้ได้เราก็ไม่ต้องมาเกิดเมื่อเราไม่มาเกิดเราก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเนี่ยนี่คือเป้าหมายของาศาสนาพุทธให้เรามาหยุด ตัวนี้ต่างหาหยุดตัวกรรมสามตัวนี้คือการมัตันหาภาวตันหาวิภาวะตันหาเป็นตัวมโนกรรมเป็นการกระทําทางใจเมื่อคิดเมื่ออยากแล้วมันก็จะส่งไปทางวาจาทางกายต่อไปถ้าหยุดสามตัวนี้ได้ก็ไม่ต้องกลับมาตายอีกต่อไปเพราะจะไม่เกิดคําถามต่อไปจากคุณวิกราบเรียนถามเจ้าค่ะ ในการฝึกสติการเดินจงกรมจำเป็นไหมาเจ้าคะ่ะเพราะโยมไม่ค่อยถนัดในการเดินจงกรมเจ้าคะ่ะอ๋อไม่เดินก็ได้การฝึกสตินี้ฝึกได้ในทุกกิริยาบทในทุกการกระทําตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ก็ฝึกได้เลยตื่นขึ้นมาก็พุทโธได้เลยกําลังลุกขึ้นก็พุทโธกําลังเดินก็พุทโธกําลังไปเตรียมตัวอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไป ทำอะไรก็อย่าให้ใจปราศจากพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดเลือ่อยเปื่อยคิดฟุง้งซ่านคิดเพ้อเจ้อคิดตามความอยากต่างๆถ้าจะคิดเรื่องจำเป็นก็คิดได้หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวถ้าจะคิดว่าวันนี้ต้องไปทาอะไรมีธุระกับใครจะต้อง เ, อเตรียมตัวอย่างไรอันนี้ก็คิดได้ พอคิดเสร็จแล้วช่วงที่ไปเตรียมตัวก็หยุดคิดแล้วก็พูดโทพูดโทไปอย่างนี้ก็จะทำให้มีสติขึ้นมาเวลานั่งสมาธิถ้ามีสติใจก็จะนน่งจะสงบคำถามต่อไปจากคุณมนตรีกราบเรียนถามพระอาจารย์ผมชวนเพื่อนไปวัด แต่เพื่อนของผมบอกว่าไม่จําเป็นต้องเข้าวัดหาครูบาอาจารย์เพราะเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอยากทราบว่าเพื่อนเข้าใจถูกหรือผิดครับก็ได้คําสอนพุทธเจ้าก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าคําสอนพุทธเจ้ามันเป็นตำหรับตําลามันยึดมีอยู่ในหนังสือมีอยู่หลายเล่มด้วยกัน บางทีกว่าจะเรากว่าเราจะได้คําตอบที่เราต้องการอาจจะต้องไปค้นคว้าหาเวลาแตถ้าเราไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้เหมือนกันพอมาถามท่านก็สามารถที่จะตอบให้เราได้เลยก็มีเหตน้มันอยู่ที่ความยากง่ายถ้าศึกษาจากพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกนี่มันอาจจะยากกว่าการไปศึกษากับครูบาอาจารย์ คำถามต่อไปจากคุณจีกรุ p กาบเรียนถามเจ้าค่ะการคิดร้ายที่เกิดขึ้นในใจแต่ไม่ได้กระทาออกมามีความบาปเท่ากับการกระทำหรือไม่เจ้าคะยังไม่ไ ม, ไม่มีไม่มีบาปเป็นบาปทางใจยังไม่มีวิบากตามมายังไม่มีผลยังไม่ได้ไปทำให้ผู้เขาเสียหายหเดือดร้อนผู้ที่เขาไม่เสีย ผู้ที่ไม่ได้ถูกทําความเสียหายเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมเราแต่ก็เกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาขณะที่เราคิดไปในทางที่ไม่ดีใจเราก็จะไม่สบายใจเออันนี้ผู้กระทาผู้คิดจะได้รับผลทันทีจากการคิดที่ไม่ดีคิดไม่ดีก็จะทําทให้ไม่สบายใจถ้าคิดดีก็จะทําทให้ใจสบายเอ คำถามต่อไปจากคุณนัทธพัฒนกราบเรียนถามค่ะซองผ้าป่าของอีกวัดหนึ่งเขามาให้ตอนหลังเลยได้เอาอีกซองหนึ่งให้วัดอื่นไปจะบาปไหมคะไม่รู้วัดของใครกับวัดของมันดิจะเอาเอาของวัดนี้ไปให้อีกวัดหนึ่งแล้วเขาวัดนั้นเขาก็ไม่ได้สิก็ควรที่จะ จัดการให้มันเหมาะสมถูกต้องของวันไหนก็ต้องมอบให้กับวันนั้นไปหมดแล้วหแหละก็ดีจะได้ใกล้เวลาพักพอดีจะอนุโมทนาให้พรสำหรับช่วงแรกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็อาจจะยังคุยต่อได้สักนิดหนึ่ง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 อาราโสยะาสปิติโยวิวาจันตุสัพพโลวินาศตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีคายุโกภะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏาติอายุวันโอสุขัง พาลาวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาสามร้อยสามสิบสองร้อยสิบหกวิทยุออนไลน์ยี่สิบหกผู้รับฟังบนเขาสิบแปดคนรวมทั้งหมดห้าร้อยเก้าสิบครับยังไม่ถึงหกร้อยเมื่อวานนี้ก็ห้าเก้าเก้าวันนี้ห้าเก้าศูนย์ คนแทงหวยก็เจอจ้องด้วยคุณพ่อคะความฝันนี่คืออะไรคะก็ความคิดไงเวลานอนหลับเราก็ยังคิดอยู่ใจเราไม่ได้หลับไปกับร่างกายใจมันก็คิดมันก็เลยกลายเป็นความฝันขึ้นมา หลวงพ่อครับอย่างเราไปทำบุญถวายพระประธานสร้างโบสถ์นะครับเออเป็นมหาบุญไหมครับไม่หรอกก็เสียเท่าไหร่ก็เสียเท่านั้นะได้บุญเท่านั้น <c oughs> เสียร้อยบาทก็ได้ร้อยบาทบุญร้อยบาททําบุญพันบาทก็ได้บุญพันบาทไม่ว่าจะไปสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเจดียออ์สร้างอะไรมันก็มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราสร้างมันอยู่ที่การเสียสละคือเงินทองของเราอื <t ansen> แต่ประโยชน์นี้มันต่างกันประโยชน์ที่เราไปใช้สร้างโบสถ์มันก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งสร้างกุฏิก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งสร้างพ ร, พระพุทธรูปก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งมันไม่เหมือนกันสร้างกุฏิพระก็จะได้มีที่อยู่ถ้าไปสร้างพระพุทธรูปพระก็ต้องนอนใต้ต้นไม้พราไม่มีกุฏิให้อยู่มีแต่พระพุทธรูปให้กราบ ไอ้มันของที่เราไปสร้างมันมีประโยชน์ต่างกันถ้าเราไปสร้างหนังสือธรรมะมันก็ทำให้คนมีธรรมะได้อ่านมีหนังสือธรรมะได้อ่านท่านว่าประโยชน์สูงสุดคือการให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแต่ไม่ได้ใช้เป็นบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะเป็นบุญที่เหนือกว่าบุญทั้งปวงไม่ใช่คนละเรื่องกันประโยชน์ที่ได้ จากสิ่งที่เราไปทำไปสร้างมันไม่เหมือนกันสร้างโรงพยาบาลก็จะได้ที่รักษาพยาบาลสร้างโรงเรียนก็จะได้โรงเรียนไปเรียนหนังสือสร้างหนังสือธรรมะก็จะได้มีธรรมะอ่านธรรมะนี่เป็นของที่มีค่ามีประโยชน์ที่สุดท่านึ่งบอกว่าให้อะไรสู้ให้ธรรมะไม่ได้การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแต่เงินที่เราเสียในการมา พิมพ์หนังสือธรรมะก็ได้เท่ากับบุญเงินก้อนเดียวกันถ้าเราเอาไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปเหมือนกันเข้าใจนะมีคำถามอีกไหมเดี๋ยวยังถามได้สักสองสามข้อสี่ห้าข้อถ้ามีก็ถามคำถามจากทางเฟ e บุ o k นะครับคุณอภิชาต กราบนมัสการครับพระอาจารย์อยากทราบว่าพระอริยเจ้าในขั้นพระโสดาบันจะรู้ได้อย่างไรครับถึงจะเรียกว่าเป็นโสดาบันหรือจะต้องมีใครบอกไหมครับแล้วถ้าเป็นพระโสดาบันที่ว่าจะกลับมาเกิดอีกกี่ชาติครับคือการเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ต้องมีคนมาบอกหรอกมันนู่อยู่ในใจเพียงแต่มันไม่รู้จักชื่อท่านนั้นว่าเขาเรียก การเป็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างไรอย่างเรามาเกิดถ้าเราเกิดเป็นผู้ชายถ้าไม่มีใครมาบอกว่านี่คือผู้ชายเราก็ไม่รู้ว่านี่คือผู้ว่าเป็นผู้ชายแต่เรารู้ว่าเราเป็นผู้ชายเพราะเรามีอวัยวะไม่เหมือนกับคนอื่นเขาแต่เราไม่รู้ชื่อว่านี่คือผู้ชายเพราะคำว่าชื่อมันเปลี่ยนตามภาษาใช่ไหมเมืองไทยเราก็เรียกว่าผู้ชายเมืองฝรั่งเขาเรียกว่าแมน มันก็เปลี่ยนไปตามชื่อของมันอันนี้ผู้ภาโสดาบันอาจจะไม่รู้จักชื่อว่านี่คือโสดาบันเรียกว่าโสดาบันแต่รู้สภาพของของโสดาบันว่าเป็นอย่างไรคือเป็นผู้ที่ไม่หลงกับร่างกายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราคนที่เห็นว่าร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นตุกตาตัวหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นภาโสดาบัน ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายหมดแล้วนะ เ, เดี๋ยวนั่งรอสักแป๊บหนึ่งดีนะ๋การการปฏิบัติธรรมการได้รับผลนี้มันผู้ปฏิบัติผู้ที่ผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าตนเองได้แก้ปัญหาอะไร ที่เรามาปฏิบัติทำเพราะเพราะเราต้องการมาแก้ปัญหาใจเราทุกข์กับเรื่องอะไรเราก็ต้องมาทำให้ใจเราไม่ทุกข์พอเราไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นเราก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหากับเราแล้วแต่ไม่รู้ว่าชื่อว่าเรียกว่าอย่างไรแต่รู้ว่าปัญหาที่เราเคยเป็นกับเรื่องนี้เราไม่เป็นแล้วอย่างพระาสดาบานนี้เขาไม่มีปัญหากับเรื่องของความเป็นความตายแล้วความเจ็บความป่วย เขาไม่รู้สึกเดือดร้อนเขาเจ็บได้อย่างสบายเขาตายได้อย่างสบายอันนี้ก็เป็นพระโสดาบันพระสกิรดาคามีเขาก็รู้ว่าความความข้ความรามักในการอยากมีการมีกามนี่มันเบาลงแล้วเมื่อก่อนนี้มันฟุ้งซ่านตลอดเวลาคิดแต่เรื่องกามอยู่ตลอดเวลา แต่พอมาเริ่มมองร่างกายว่าไม่สวยไม่งามขึ้นมาก็ทำให้อาการที่มีความมีการารมณ์มันลดน้อยลงเขาก็รู้แล้วว่าเออเมื่อก่อนนี้ใจเรานี่หมกมุ่นกับเรื่องกามอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะตัดมันได้แต่ยังตัดไม่ได้หมดก็รู้ว่าตัดได้ครึ่งหนึ่งเบาบางลงอันนี้ก็เป็นพระสะกิดาคามีขึ้นมาแล้วสำหรับ ถ้าตัดได้หมดน่ะตัดการอารมณ์ได้หมดเพราะเห็นร่างกายที่ไรแทนที่จะเห็นว่าสวยว่าหล่อก็เห็นว่าเป็นซากศพเห็นว่าเป็นอาการ32ขึ้นมามันก็ไม่มีอารมณ์อยากอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นอนาคามีขึ้นมาถ้าไม่ได้ไปเปิดตําลาก็ไม่รู้หรอกว่า น, นี่คืออนาคามีหรือนี่คือสกิดากามีแต่ รู้ว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วอยากจะแก้มันแล้วก็แก้มันได้โดยอาจจะฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยตนเองแล้วท่านก็นมาตั้งชื่อว่าระดับนี้เรียกว่าชื่อนี้โสดาบันแปลว่าผู้ผู้ที่เข้าสู่กระแสของพระนิพพานใช่ไหมมันเป็นชื่อสมมติตั้งขึ้นมาคือใครเริ่มเห็นไตรลักษณ์นี่แสดงว่าเริ่มเข้าสู่กระแสไปสู่พระนิพพานแล ก็เลยเรียกว่ า, เ, าเรียกว่ า, เ, าเรียกว่าโสดาบันผู้เข้าสู่กระแสสกิดาคามีก็ถ้าแปลความหมายถ้าเราจําไม่ได้คงหมายถึงว่าจะกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งมั้ผู้ที่จะกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งก็เรียกว่าสกสกิดาคามีอาณาคามีก็คือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดในกามะพบอีกต่อไปเราเรียกว่าอาณาคามีนี่มันเป็นชื่อ ที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาต่อเพื่อที่จะได้อธิบายได้ถูกว่าเรากำพูดถึงเรื่องไหนถ้าไม่มีชื่อเดี๋ยวคุยก็ไม่รู้เรื่องเช่นเราจะคุยเรื่องเชียงใหม่แล้วก็ต้องบอกเมืองเชียงใหม่นะตอนนี้พูดเรื่องเชียงใหม่เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวอาจจะฟังว่าพูดพูดอยู่ก็เรื่องกรุงเทพก็ได้ถ้าไม่ได้บอกชื่อก่อนเอัะ น, นั้นชื่อเหล่านี้มันเป็นเพียงมีไว้สําหรับเวลาที่จะต้องคุยกันต้องบอกกัน จะได้รู้ว่ากำลังคุยถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอะไรแต่เวลาปฏิบัติจริงๆนี้ถ้าไม่ไม่เคยเรียนตารามาก่อนก็จะไม่รู้ชื่อแต่จะรู้ว่าตัวเองนี้ไม่มีปัญหากับเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราจะกลับมาเกิดอีกไหมก็อาจจะไม่รู้ก็ได้อันนี้อาจจะเป็นความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้าที่เห็นวิถีจิตของจิตที่เป็นแบบนี้จะ จะกลับมาเกิดไม่กลับมาเกิดกี่ครั้งไม่เกิดกี่ครั้งพระสุดาบันเองอาจจะไม่เห็นก็ได้พระสกิดาคามีเองก็อาจจะไม่เห็นก็ได้แต่ท่านก็ไม่สนใจจะกลับมาเกิดเองหรือไม่เกิดเองท่านก็รู้แล้วถ้าไม่มีปัญหากับเรื่องกรรมท่านก็พอใจแล้วมีคําถามหนึ่งไหอหมดแล้วถ้าอย่างนั้นสําหรับช่วงภาษาไทยนี้ก็ขอพักไว้ตอนนี้ก่อนะ ไว้ค่อยคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงภาษาอังกฤษก็ขอให้ท่านที่ได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาไป พ, พิ จ, จิตรพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร